พุทาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานลวงปูผีนาละโยรู้ทุกคิดคิดไม่ติดไปจิตจะเป็นอย่างไรได้แต่รู้มาแล้วมปฏิบัติกันข้าวทำความเปลี่ยนกันข้าวใ้ใจมันอยู่กับ อะไรสักอย่างนึงคืเครื่องล่อไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทธิมาใหม่อ่ะตั้งมาเก่าแล้วก็ยังไม่อยู่ก็มาเหมือนกันนี่ยก็ให้มันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจอยู่กับพุทโธน้อมระลึกถึงพุทโธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมมาแจกพุทโธไปเรื่อยเปื่อยให้น้อมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ มันคิดอะไรก็รู้อยู่แต่เราไม่จอมไปสนใจมันมันคิดอะไรก็อย่าหลงตามมันไปมันคิดอะไรก็อย่าหลงตามมันไปแล้วอย่าพยายามไปไปฆ่าความคิดดับความคิดแต่ขอให้ความรู้สึกตัวมันอยู่กับพุทโธอย่าหายมันคิดอะไรขึ้นมาแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาก็อย่าไปพยายามฆ่าเขาดับเขาหรือว่าอย่าละพุทโธไปไล่ดูความคิดอยู่ไอ้ความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำฟองสบม่ดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนเดินอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งืนก นอนให้น้อยทำความเพียรให้มากแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธให้ใจมันความรู้สึกตัวอยู่กับคําบริกรรมพุทโธ pues <c oughs> อจะหลงไปกับความคิดอจะหลงไปไล่ดูอาการของจิตใจมันปโป่งลงบบาสบายไม่โป่งไม่ลงไม่เบาสบายอย่าไปสนใจเขาแต่ก็รู้อยู่แต่อย่าไปสนใจเขาจะได้ไม่สนใจอาการของใจได้ที่มันโป่งลงบบาสบายไม่ โ, โ, โ, โ, โป่งลงเบาสบายเนี่ยเราจะไม่สนใจเขาได้ต้องเห็นความคิด ไม่เห็นจิตที่คิดแทนไม่เห็นตัวเรานี่เนี่ยที่กำลังคิดอะไรอยู่จุ๊กจิ๊กจุกจิกจุกจิกคิดนั่นคิดนี่ตัวเราคิดนั่นคิดเนี่ไม่เห็นตัวเรากําลังคิดแทนมันจะได้ไม่ไปสนใจอาการของกายที่เป็นเวทนาต่างๆมันจะได้ไม่ไปสนใจเพราะสติปัฏฐานสี่นัมีทั้งสี่หมวดมีกายเวทนาจิตธรรมอย่ามัวแต่ไปยุ่งหมดเวทนาอยู่ให้ไปเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงแล้วก็ ให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ แ, am, แล้ว ang, era, am, think, mm ot, อย่าไหลไปกับความคิดแล้วจะพยายามไปดับความคิดนั้นให้มันรู้สึกตัวอยู่ว่ายังบริกรรมพุทโธอยู่ส่วนจิตที่มันคิดเราก็จะหลงไปกับมันและจะไปดับเขาให้เห็นความคิดเห็นก็ไม่ใช่ว่าละจากละจากพุทโธแล้วไปไล่ดูความคิดเราก็พุทโธอยู่เนี่ยแต่เห็นความคิดมันแสกซอนทุกคิดให้เห็นทุกคิด มันจะได้ไม่ไปยุ่งกับอาการของจิตที่เป็นเวทนาเพราะมันคนละหมวดการกายเวทนาจิตธรรมตติปฐานสี่ให้เห็นจิตอย่าไปยุ่งแต่เวทนาเพราเห็นจิตที่คิดทุกคิดมันจะเลยไม่ไปยุ่งกับเวทนาเหมือนกัมัวแต่งงยุ่งแต่อาการของกายเพราะเราไปยุ่งกับอาการของกายเราเลยไม่เห็นจิตที่คิดพอคิดอะไรกันเพ อ, อาะใจมันไม่โปง่งไม่โลกไม่เบาสบายไอ้ตัวเราก็สารพัดจะคิดจะงุ่ดจิตจะลำคาญจะวุ่นวายกับอาการเหล่านั้นเน่ย คิดเอาวันทานจะดิ้นลนผัดสายคิดเอาวันทานจะทําลายเขาคิดเอาวันทานจะแก้ไขทํายังไงให้ใจโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆมันมีแต่คิดคิดคิดคิดคิดิดมันยี่สิบปีแล้วคิดแบบเนี้ยว่าทํำยังไงอาการที่มันทำให้มันแน่นมันจุกมันอัดมันไม่สบายใจทํำยังไงมันถึงจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วทํายังไงมันจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างนั้นเนี่ยไม่ให้กลับเป็นไปไม่ว่างโล่งโป่งเบาสบายอีกมันก็คิดอยู่ในนี้นี่ยคิดคิดคิดคิด พอมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็คิดเอาแนทางว่าจะทํายังไงให้มันว่างอยู่นั่นน่ะไม่กลับไปแน่นอึดอัดทึบตื้อีกไม่ไม่กลับไปไม่สบายอีกเอาพอมันไม่สบายก็คิดคิดคิ ด, ค, ดคิดอยู่นั่นน่ะว่ามันไม่สบายอย่างนี้จะทํำยังไงให้มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันตทำทันยังไงไม่ให้กลับไปอึดอัดแน่นมันไม่สบายอีกก็คิดอย่างเนี้ยมายี่สิบกว่าปีแล้วแต่ก็ไม่เปลี่ยนไปยังไงเพราะว่ามันมวนไปดูแต่ เวทนาไปยุ่งแต่อาการของเวทนามันไม่ได้เห็นจิตทิคิดผมมันเห็นจิตทิคิดมันก็เลยเออมันก็เลยไม่ไปยุ่งเพราะว่ามันจะต้องเห็นจิตทิคิดเพราะว่ามันคนละหมวดกันสติปัฏฐานสี่หมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมเราจะหลุดจากเวทนาได้คือเราต้องไปเห็นสิ่งที่อื่นมีค่าสาคัญกว่าคือเห็นจิตทิคิดถ้าเรารู้จิตทิคิดเนี่ยทุกคิดไม่ติดไป จิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้ไม่พยายามทำลายเขาไม่หลงเพลินไปกับเขาไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจให้รู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจไม่ใช่ว่าละจากความรู้สึกตัวพุทโธพุทโธพุทโธไปไล่รู้ความคิดและไปไล่ดับความคิดทุกคิดให้ไม่คิดได้เหลือแต่ใจว่างเปล่า มีหลายคนที่มาหาเราแล้วปฏิบัติผิดแบบเนี้ยเราพูดยังไงก็ไม่ฟังจะเอาแต่ว่างว่างว่างอยู่ น, นั่นแหละไปไล่ดับทุกคิดเพื่อให้ใจมันว่างเปล่าแล้วที่สุดพอจะตายแล้วเป็นยังไงเพอสารพัดจะเพอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยส ต, ติแตกเพรอะไรมันไม่เห็นความคิดมันพยายามไปไล่ดับความคิดแล้วที่สุดแล้วก็ สู้ความคิดไม่ไหวมันก็พลิกใจไปอยู่กับความรู้สึกว่างๆมันไม่สนใจแล้วที่จะรู้ทุกิไ์ไปติดไปมันไปอยู่กับใจที่ว่างๆมันเป็นของปลอมมันก็เลยพอจะพอใกล้จะตายมาหาเราพูดไม่รู้เรื่องเลยเราพูดอะไรก็พูดแพร่ๆแพๆแสร่งเราอยู่ตลอดสติแตกไปแล้วเพราะว่าว่างว่างว่างอย่างเดียวพูดอะไรก็จะมีแต่ว่างเนี่ยตอนนี้ว่างแล้วว่างแล้วอยู่ที่นั่นแหละ แต่ตัวเองเนี่ยพล่ลําลามบางทีคิดอยู่เนี่ยอยู่อย่างนั่นแหละก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วตัวลังก็บางคนก็ไปเปิดสํานักสอนวิสอนจิตว่างหนักขึ้นไปอีกไปพาลูกปิดลูกหาฝึกจิตว่างแต่เขาบอกว่าคนที่เนี้ยที่มาสอนเรื่องจิตว่างวุ่นที่สุดก็คือคนนี้ไงยยุ่งที่สุดเพราะอะไรไม่เห็นเลยตัวเองเนี่ยทั้งคิดทั้งยุ่งทั้งวุ่นวายทั้งวิภาควิจารคนนั้นคนนี้แล้วก็บอกว่าว่างอยู่ตลอด มนบาทีเขาพูดก็ไปคำว่าว่างอะไรเนี่ยฟุงซ่านไม่เห็นนะฟุงซ่านเส้นดีไม่เห็นเลยเขาว่าไปแค่นี้บาตรีมันนอนกายน้ำผาคิดตั้งแต่เช้ายันค่ำเราเลยว่านี่มันนอนคิดอะไรอยู่เนี่ยตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ลุกไปเนี่ยเอ้าก็ว่างสักขนาดนี้ทำไมมาว่าว่าฟุงซ่านเขาว่าตั้งแต่ไหนว่าตั้งแต่เช้าโต้ว่าตั้งแต่เช้ามันนอนกายน้ำผากคิดถึงค่ำนี่นะว่าอยู่คําเดียวเนี่ย ฟุงงซ่านสินดีไม่รู้เรื่องเลยเออเราก็นึกว่าเนี่ยให้มันเห็นจิตที่คิดดิมันว่างที่ไหนอะมันไม่ได้ว่าเนี่ยก็ว่าแค่คาเดียวเนี่ยคิดแต่แต่เช้ายันค่ํานอนก่ายหน้าผากไม่ลุกเลยเนี่ยเราก็นึกว่าเออมันจะได้เห็นจิตที่คิดทันีแต่เนี่ยไม่อะลุกขึ้นมาเถียงเราเลยอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์ดูก็ได้แม้แต่มันคิดอย่างนี้นะใจมันยังว่างเลยอาจารย์ โอ้โหมันเข้าใจผิดถึงขนาดนั้นเลยบอกว่แม้แต่คิดอย่างเงี้ยใจยังว่างเลยดูเถเนี่ยคือมันไปจับความรู้สึกว่างไว้อย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นเลยอะ่ะเราบอกว่ามีหรือคนที่ไหนเขาว่าคนปกติเนีย่ยเขาโดนว่าขนาดนี้แค่หน่อยเดียวว่าฟุงา้งซ่านว่างอะไรฟุ้งซ่านแค่เนี้ยเขาไม่มานอนคิดกายนาผา่าตั้งแต่เช้ายันค่าไม่เลิกเลยดเยนะี่ยมันเป็นยังไงเนี่ฟุ้งซ่านหนึ่งดียนี่นเนี่ยแล้วไม่เห็นว่าเตัวงฟุง้งซ่าน มันเถียงอะไรอยู่ฟุ้งซ่านอะไรเนี่ยใจยังว่างอย่างเลยคิดเองเนี่ยโอ้ยมันกลายไปแยกยังไงรู้เก่งมากเลยสมองคิดแต่ใจไม่ใจว่างเปล่าเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมันแยกแบบไหนฟุ่งซ่านยังไม่เห็นเลยมีแล้วตัวเองคิดเหมัอนไอ้ตีคิดเนี่ยก็คือตัวเองแนหะเป็นคนคิดมันคิดตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันไปจับแต่อาการของใจแต่มันหนีมาตัวเองคิด ตอนนี้มันไม่จับแต่อาการทองใจมันไม่เห็นตัวเองคิดมันก็เลยตอนนี้ก็เสียหายแล้วเอนนี้มันเลยไม่เห็นตัวเองคิดมันต้องให้รู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่ตู้แค่รู้อยู่ที่ใจเราอย่ามัวไปจับเวทนาอยู่อย่ามัวไปวางวางโล่งโปร่งเบาสบายอย่าเอาอีกแล้วไม่ว่างแล้วแน่นแล้วก็ถามเราอย่างนี้เนี่ยมันทําไมแน่นแล้วทํำยังไงถึงจะไม่แน่นมันอึดอัดอีกแล้วทําไงไม่อึดอัด สิปียี่สบปีก็ถามคําถามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและผลมันเป็นยังไงทำไมเขาต้งให้รู้จิตทิ่คิดใกลพอจิตที่ิดเนี่ยเวลาเราตายแล้วเนี่ยพอลมหายใจมันดับแค่นั้นหายใจเฮือกเฮือกสองครั้งสามครั้งแค่นั้นแหละหายใจยาวๆไม่พอเหมือนคนจมน้ําเนี่ยพอคนจมน้ําเนี่ยมันทะลึ่งขึ้นมาสักสองครั้งสามครั้งหายใจยาวๆแค่สองครั้งทะลึ่งขึ้นมาแล้วก็จมหายไปเลย คือมันหายใจไม่พอเต็มปอดมันเลยทะลึ่งเกือดเกล็ดสองครัง้งสามครัง้งเราดูว่สัตว์เลฉามันจะตายต่อหน้าต่อตาเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยมันหายใจยาวๆเกือกเกือกสองครัง้งก็ดับแนงนิ่งไปเลยไม่ว่าคนหรือสัตว์พอดับนิ่งไปแล้วเนี่ยมันก็เด็นหลุดออกมาคือไอ้กายโป่งแสงเนี่ยไอ้ตัวที่คิดคิดคิดคิดคิ ด, คดแล้วก็ทุกตกเศร้าเสียใจครับแก้นใจร้องไห้เนี่ยมันกระเด็นออกมาร้องไห้นอกตัวเอง นี่มาฆ่ากูทำไมมาฆ่ากูทำไมฆ่ากูทำไมสัตว์ในฉันก็เหมือนกันมันก็เดนออกมาอยู่นอกร่างตัวเองนะมาฆ่ากูทำไมฆ่ากูทำไมเนี่ยมาฆ่ า, ากูทำไมก็ร้องห่มร้องให้แต่คนไหนที่มีความทุกข์เกิดเกี่ยกับเรื่องครอบครัวทุกเกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาทุกเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานทุกเกี่ยวกับสิ่งโน้นสิ่งเนี้ยมันก็ไอ้ากายโปร่งแสงไอ้กายที่คิด น, นี่แหละคิดคิดคิดเนี่ ย, ยมันก็เดินออกมานอกคิดคิดนอกตัวเอง ไอ้กายเนื้อมันตายไปแล้วแต่ไอ้กายที่มันกายจิตเนี่ยที่มันคิดคิดคิดไอ้กายจิตที่มันคิดเนี่ยมันก็เด็นออกมาเป็นกายโปร่งแสงก็เด็นออกมานอกตัวเองมันร้องไห้อยู่นั่นแหละเขาจึงไม่ให้ไปฆ่าสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ไปฆ่าสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเวลามันก็เด็นออกมานอกตัวเองอ่ะมันก็มาอาฆาตแก้นพยาบาทได้ว่าในชาตินี้กูสู้มึงไม่ได้มึงมาฆ่ากูชาติต่อไปขอให้กูได้ฆ่ามึงมั่ง โดย ก, งกรงคำกองเวียนหมุนเวียนวนชาติต่อไปมันก็เลยมาฆ่าเราได้พระพรุทธเจ้าจึงไม่ให้เราไปไปเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นเขาสู้เราไม่ได้แต่แรงอธิษฐานมันเท่ากั น, มนไมื่ว่าคนหรือสัตว์เวลมามันกระเด็นออกมาจากล่างแล้วไอ้กายโป่งแฝงเนี่ยมันอาคาดแขนพยาบาทเท่ากันไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มันก็มาอาคาดแขนว่าชาตินี้กูสู้มึงไม่ได้ชาติต่อไปขอให้กูได้ฆ่ามึงแล้วเด็กผลของกรรมนั้นเนี่ย มันก็ส่งผลให้กลับไปฆ่ากันไปฆ่ากันมาเขาจึงเรียกว่ากงกรรมก ง, กงเวียนหมุนเวียนวนและจะไปฆ่ากันตายกี่ชาติแบบเนี้ยกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้เนะี่ยมันจึงไม่ให้ไปฆ่าจัดเดรัจฉานฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้มันจะจองเวีนกันแล้วกลับไปกลับมาตอนเนี้ยไอตัวที่ร่างกายที่มันตายเนี่ยมันก เ, เรียกว่ากายเนื้อเนี่ย มันสิ้นลมหายใจมันก็ต้องตายแต่ไอ้กายจิตเนี่ยหรือจิตแตสังขารเนี่ยมันไม่ตายมันก็ออกมาคิดมันมีความทุกโศกเศร้าเสียใจครับแขนใจอาฆาตพยาบาทมันก็ออกมานอกล่างเนี่ยมันกลายปร่งแสงก็เด็นออกมาเนี่ยมันก็มาคิดแล้วก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อาฆาตแขนพยาบาทเกี่ยวกับการคิดของตัวเองเนี่แหละมันเลยจึงต้องไห้เห็นว่เนี่ยให้รู้ทันเนี่ยไอ้ตัวเราที่กําลังคิด ทุกคิดแล้วจะติดไปเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าขืนติดไปเป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ดับเพราะอะไรถ้าไอเราเนี่ยหรือหรือวิญญาณเนี้ยเราเป็นวิญญาณที่ลอยมาวิญญาณเนี้ยที่มาเข้าที่มาผสมกับไอไอธาดดินน้ําลมฝาที่ตะเปิมก็เป็นธาดดินของพ่อธาดน้ําก็เป็นไข่ของแม่มันเริ่มต้นมาจากตะเปิมกับไข่แล้วแม่ก็หายใจเอาธาดธาดลมธาดฝายเข้าไปแล้วกินซากพืชซากสัตว์เข้าไป เราเป็นวิญญาณที่เข้ามาผสมกับเนี่ยถาดดินน้ำลมไฟเนี่ยไอ้วิญญาณเนี่ยไม่ได้แปลว่าผีแต่เพราะว่ามันไปรวมตัวกันเลยเหมือนเป็นผีเพราะว่ามันไปรวมกับกายจิตซะไอจิตตสังขารไปรวมกับเราไปรวมกันนะซะเราไม่เป็นวิญญาณเอาวิญญาณไปรวมกับไปไอจิตที่คิดปลุกแต่งดังนั้นเน่ยเวลาวิญญาณออกจากร่างร่างมันเลยตายแต่วิญญาณเนี่ยเรานี่เนี่ยวิญญาณเนี่ยมันออกจากกายจิตหรือจิตตสังขารไม่ได้ไอจิตตสังขารมันเลยไม่ดับ เพราะว่าไอ้ไอ้วิญญาณหรือเราเนี่ยมันอยู่ในร่างเนี่ยตอนที่เราอยู่ในร่างเนี้เราก็เลยไม่ตายเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่พอวิญญาณออกจากร่างแค่นั้นแหละไอ้ร่างนี้มันก็นหายใจเฮือกเอือกยาวแค่ น, นั้นแหละแล้วมันก็นดับทันทีแต่ไอ้ไอ้กายไอ้กายจิตหรือหรือจิตสังขารเนี่ยมันเป็นกายโปร่งแสงที่ออกมานอกร่างเนี่ยมันยังไม่ดับเพราะอะไรวิญญาณเนี่ยมันยังอยู่ในร่างของไอ้กายโปร่งแสงนั้น มันเอาตัวเราไปเป็นไปไปอยู่ในตัวนั้นสร้างมันเอาตัวเราเป็นคนคิดมันเอาตัวเราเป็นจิตจิตเราดีจิตเราไม่ดีจิตเราเป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างนี uh ้จิตเราแน่นจิตเราอึดอัดจิตเราขับข้องใจจิตเราว่างจิตเราโล่งจิตเราโป่งจิตเราสบายมันไปเอาไว้จิตตัวที่ปรุงแต่งเป็นตัวเราเมื่อมันเอาจิตที่ปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยตัวเราก็เลยไปอยู่ในจิตตะทังขานนั่นแหละไปอยู่ในกายในกายปร่งแต่งนั่น มันมันกายตายแต่กายเนื้อไอ้กายที่เป็นกายจิตที่โปร่งแสงมันเลยไม่ตายเลยกลายเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแก้ใจอาการแข็งไยาบาดรอยอยู่นั่นแหละรอจนกระทั่งยมาทูตโยมบาลเขามาลากอไปแล้วเจ้ากรรมในเวรก็ให้ผลก็ลากไปลงโทษเอาไปภากษาลงโทษเพราะเราไปเอาไว้ไอ้ตัวจิตแต่สังขารเนี่ยที่ออจิตเราเป็นอย่างงูนจิตเราแน่นจิตเราอึดอัดจิตเราตึงจิตเราว่านจิตเราโล่งจิตเราโปร่งจิตเราสบาย มันไปไปดูแต่อาการของจิตและไอตัวที่มันไปพราะมันมีอาการอะไรและไอตัวเราที่เราไปคิดเราก็ไม่เห็นตัวเราพอจิตว่างโล่งโปรเบาสบายจิตมันก็คิดตัวเราก็ไปคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้ว่าว่างดีไว้ว่างนี้ชอบชอบอยากทําทยัางไงจะให้มันว่างอยู่อย่างเงี้ยพอจิตมันแน่นมันอึกาัดก็หงูดงิดไออาการของจิตนั้นทํำยังไงมันถึงจะออกจากไออาการของจิตที่มันว่างโล่ที่มันแน่นอึดอัดเน่ให้มันว่างโล่ปรบาสบายอีก คิดวุ่นวายแต่หาหนทางเนี่ยจิตดีก็คิดเอาหนทางจะให้มันดีอยู่งั้นแหะจิตไม่ดีก็ดิ้นหล่นหนทางจะให้มันหายไปให้กลับมาดีอีกแต่เราก็ไม่เห็นคิดแต่ไปเห็นอาการของจิตอย่างเดียวเมื่อเราเนี่ยไม่เห็นคิดไม่เห็นตัวเราคิดไอ้จิตที่มันโปร่งแสงมันก็เลยไม่ดับเพราะว่ามันเราไปเอาไอ้จิตที่มันคิดไปเอาจิตที่เป็นอาการเนี่ยมาเป็นตัวเราพอเราจิตที่เป็นอาการที่มันเป็นตัวเราเราเป็นจิตที่มีอาการ มันก็เลยเราเนี่ยไปอยู่ในในกายของจิต Netflix. หรือในจิตที่เป็นอาการนั้นพอเราไปอยู่ในตัวนั้นมันก็เลยไม่ดับไอตัวเนี้ยพอ เ, เราเวลาเราออกอยู่ในกายแล้วออกมาจากกายกายมันก็เลยดับแต่พอเราไม่ออกมาจากกายจิตไอจิตตะสังขารเนี่ยที่มันเป็นตัวโป่งแสงเนี่ยเราไม่ออกมาทักทีมาเลยตัวนั้นไม่ดับโยามาทูตโยมบาลก็มาลากเราไปลงโทษเดี๋ยวก็มีคนมาควักมือเรียกเราออกมาตรงนี้ตามมาทรงนี้เพราะ scales. ตัวเราไม่ดับเนี่ยก็มีคนมาควักมือเรียกเราให้ตามไป แต่แล้วพอเราเราตัวเราไม่ดับไอตัวนั้นเน่ยก็ลงตามเข้าไปแล้วที่ตัวเราก็อาไปลงโทษพิพากษาลงโทษเพราะไอตัวนั้นมันไม่ดับไอตัวนั้นจะดับได้ไอวิญญาณเนี่ยหรือเราเนี่ยมันจะต้องออกมาจากล่างนั้นออกมาจากร่างกายจิตนั้นไม่เจีออกมาจากร่างกายเนื้ออย่างเดียวมันจะออกมาจากล่างจิตนั้นเราจะออกมาจากล่างจิตได้ไงเราจะต้องไม่ไปเอาไ้อาการของจิตเอาเป็นเรา มันเป็นตัวเรามันเป็นตัวของตนของเราเพราะเราเป็นวิญญาณที่วิญญาณแปลว่ารู้เรามันเป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีรูปร่างใดๆไม่มีรูปพันธสถานใดๆเลยมิแตร่รู้แต่อาการใดๆไม่มีรู้เนี่ยทั้งไม่ว่างโล่งปร่งเบาสบายและรู้เนี่ยทั้งไม่แน่นอึดอัดทึบไอ้ว่างโล่งปรงสบายและแน่นอึดอัดทึบเนี่ย มันเป็นอาการของจิตมันเป็นจิตแตสังขารมันเป็นไอ้กายโปร่งแสงแต่อัรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดเลยมันไม่มีตัวตนอัรู้เนี่ยทั้งไม่สว่างและก็ทั้งไม่มืดรู้เนี่ยทั้งไม่ได้ว่างโล่งโปร่งเบาวสบายทั้งไม่ได้แน่นอึดอัดรู้เนี่ยทั้งไม่มีอาการที่ผ่องใสและไม่มีอาการเศร้าหมองอาการผ่องใสอาการเศร้าหมองอาการแน่นอึดอัดอาการว่างโล่งปร่งเบาวสบายมันเป็นอาการของจิตมันเป็นตัวไอ้ตัวโปร่งแสง อาการทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจยังไม่ว่าจะเป็นกุศลนักกุศลไม่ว่าจะดีร้ายปานใดก็ตามมันเป็นไอ้ตัวกายปรฟงแสงที่มันเป็นกิริยาการของจิตหรือจิตสังขารทั้งหมดตอนยังไม่ตายเนี่ยไอ้กายปฟงแสงเนี่ยมันรวมอยู่กับกายเนื้อนี่แหละแต่ตอนตายแล้วเนี่ยไอ้วิญญาณก็ออกจากล้าไอ้กายเนื้อไปไอ้กายปรฟงไอ้กายเนื้อมันเลยดับหายใจเคลือบเคลือบแล้วก็เกน่าไป แต่ไอ้กายจิต anyway, หรือจิตตสังขารเนี่ยมันไม่เน่าเพราะว่าไอ้ไอ้วิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากไอ้ไอ้กายไอ้กายจิตที่ปรุงแต่งเพราะเราไปยึดไอ้กายจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไอ้กายจิตมันยังไอ้วิญญาณมันเลยคายอยู่คาอยู่ในไอกายจิตไอ้กายจิตมันไม่มีวิญญาณออกไปมันก็เลยคาคาอยู่ได้มันเลยไม่ตายคาร์เราเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นรู้ไม่ได้ไปเป็นในอาการของจิตที่มันคิดปรุงแต่ง พอเราไม่ได้เป็นจิตที่มันมีแสดงกิริยาอาการในกายโปร่งแสงที่มันมีความรู้สึกหรืคิดอารมณ์เนี่ยไอ้กายโปร่งแสงที่มันมีความรู้สึกหรคิดอารมณ์เนี่ยที่เป็นกายจิตหรือจิตสังขารเนี่ยเราไม่ไปเป็นตัวนั้นซะไม่พิจาราตัวนั้นเป็นตัวเราเราเป็นรู้เป็นวิญญาณมันเป็นวิญญาณที่มาเข้าผสมไอ้วิญญาณเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยวิญญาณธาตุดั้งเดิมแต่แฉเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีที่อยู่ไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลย แต่มันคงอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเพราะยังไม่ออกจากร่างกายเราไปตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ตัวตนมันไม่มีไม่รู้อยู่ที่ไหนมันหาไม่เจอเพราะอะไรมันไม่มีตัวตนพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอสลีลังไอ้วิญญาณหรือจิตเดิมแท้ๆหรือใจเดิมแท้ๆเนี่ยมันไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาอะไรหรอกมันทั้งไม่ผ่องใสทั้งไม่เศร้าหมองทั้งไม่สว่างทั้งไม่มืด มันต้งไม่โปร่งโล่งเบาสบายแล้วทั้งไม่แน่นึดอัดทึบตื้อมันทั้งไม่ผ่องใสด้วยแล้วทั้งไม่เศร้าหมองด้วยไอตัวที่มันอาการของจิตไอตัวที่มันผ่องใสตัวที่มันเศร้าหมองตัวที่มันมีความลุกสึกมีความนึกมีความคิดมีความตึกตอมีอารมณ์ต่างๆได้อันนั้นเนี่ยมันเป็นกายจิตไอกายโปร่งแสงที่มันจะกระเด็นออกมาจากล่างแต่มันไม่ใช่เป็นรู้ไม่ใช่เป็นวิญญาณทธาตุหรือธาตุรู้ที่มันมีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่พอเราไปยึดเอาไอตัวกายจิตจิตที่มันแสดงกรายการได้ว่าเป็นเรา เป็นตัวเราแล้วกอ็อาจารย์จิตมันแน่นติดอัดทําไมมันไม่ว่างโล่งโปร่งบาสบายล่ะทาไงไมันจะว่างโล่งโปร่งบาสบายมันไปยุ่งแต่กับอาการของจิตไปยุ่งแต่ไอ้ตัวจิตที่มันเป็นไอ้ตัวกายปร่งแสงนะี่แะเราก็จะไม่มีทางออกมาจากไอ้กายโปร่งแสงได้ดังนั้นจึงต้องฝึกให้เป็นรู้รู้อะไรอะไกลรู้จิตนี่แนะที่มันแสดงกิริยาการทุกคิดทุกอาการนี่แนะแล้วให้เป็นรู้ไว้อย่าไปเป็นจิต จสังขารหรือกายป่องแสงนั้นให้เป็นรู้ที่ไม่มีอาการไว้เพราะไอ้รู้เนี่ยมันไม่มีอาการมันไม่ผ่องใสมันไม่เศร้าหมองมันไม่ทึบมันไม่ว่างมันได้แต่รู้ทึบมันก็รู้ว่วทึบมันว่างมันก็รู้ว่าว่างมันคิดมันก็รู้ว่าคิดมันมีอารมณ์มันก็รู้ว่ามีอารมณ์มันทุกข์มันก็รู้ว่าทุกข์มันสุขมันก็รู้ว่าสุขไอ้รู้เนี่ยมันได้แต่รู้ต่พื้ตะพื้แต่มันมีอาการไม่ได้ แต่ตัวที่มันมีอาการเนี่ยมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นกายจิตโปร่งแสงที่มันต้องกระเด็นออกมาที่นอกร่างที่มันมันยังมาทุกข์โกกเศร้าเสียใจครับแค้นใจร้องโหมร้องไห้ได้แล้วเวลาในงานศพตัวเองเนี่ยนู่นเนี่ยไอ้ทราบทังขาเนี่ยลานเนี่ยมันอยู่บนเมนน่นรอเผานู่นแต่คนที่ยืนร้องไห้เนี่ยในงานศพตัวเองอะ่ะไม่ว่าจะงานศพไหนศพนั้นเนี่ะมันก็คือไอ้กายโปร่งแสงนี่เนี่ย ที่มันมาร้องไห้อยู่แต่ไอ้กายที่มันกายเนื้อมันเน่าหยงบนนู้นน่ะบะลงน่ะที่รอรอจะเผาเนี่ยมันร้องไห้ไม่ได้แล้วแต่ไอ้กายที่มันร้องไห้ในงานศพตัวเองเนี่ยนั่นแหละไม่ได้กายโปร่งแสงเนี่ยคือไอ้กายจิตที่มันมีอาการนี่แหละที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เนี่แห่ะคือไอ้กายปร่งแสงเนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นแต่กายโปร่งแสงหรือกายปรุงแต่งเขาเรียกกายปรุงแต่งตัวเราเนี่ยมันเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งคือความไม่มีอาการใดๆเลย วิแต่รู้แต่ไม่ปรากฏอาการรู้มีแต่รู้แต่ไม่ปรากฏอาการรู้มันเป็นวิสังขารไอ้ส่วนจิตสังขารเนี่ยชื่อมันก็บอกเลยว่าจิตสังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่งก็คือมันเกิดขึ้นได้ดับได้มันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ถูกใจเดี๋ยวมันก็ไม่ถูกใจมันมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาได้เดี๋ยวถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละแต่อิรู้ได้แต่รู้แต่พุทธภืมนมันเนี่ย ไม่มีอาการใดๆเลยมันได้แต่รู้ตะพุตตะื้ไอ้รู้นั่นแหละคือเราดั้งเดิมแท้ๆวิญญาณธาตุหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือธาตุรู้หรือเขาเรียกว่านิพพานธาตุสุญญตาธาตุธรรมธาตุอมตะธาตุมันไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายไม่มีใครทำลายมันได้เพราะมันเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยมันจึงไม่มีใครทำลายมันได้มันจึงไม่มีการเกิดไม่มีการดับ เวลาล่างแต่ละล่างน่ะมันแตกดับแล้วมันก็จะถ่ายล่างไปเป็นล่างใหม่อีกเวลาล่างแต่ละล่างแตกดับมันก็ถ่ายล่างไปเราเกิดมาเปลี่ยนถ่ายล่างมาเนี่ยไม่รู้กี่กี่ล่างแล้วจนกระดูกเราทีเจ้าตัดว่าคนเดียวเนี่ยกองเ้าภูเขาใหญ่ๆนั่นแน่แต่ไอ้ไอ้ที่มันถ่ายล่างออกไปวิญญาณหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจตั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมันถ่ายล่างเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่เคยแตกดับเลยตัวมันเนี่ยนั่นแน่ มันจะไม่มีวันแตกดับเพราะมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีกิยาการใดๆเลยเมื่อเราเข้าใจเหตุผลที่พระเจ้าสอนอย่างเนี้ยทำไมพระเจ้าจึงให้เป็นรู้ไม่เป็นไม่เป็นหลงไม่เป็นเอาตัวเราไปปรุงแต่งไปเป็นกิยาการไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตองผู้แสดงอาการต่างๆผู้มีความรู้สึกโป่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายผู้มีความผ่องใสผู้มีความเศร้าหมองผู้มีความสว่างผู้มีความมืด ล้วนแต่เป็นในกายปรุงแสงหมดเลยเป็นในกายจิตตสังขารที่มันปรุงแต่งได้เพราะอาการมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้สามารถรับรู้ถึงอาการนั้นได้เราเป็นรู้ที่ไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีอาการรู้ด้วยไม่มีกริยาการรู้ได้แต่รับรู้ว่าสิ่งใดซึ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเน่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครเป็นเสวยแต่เราเนี่ยเป็นวิสังขารที่ไม่มีอาการใดๆไม่เกิดไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายเป็นของไม่ ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่ตายได้ก็เพราะมันไม่เกิดไม่มีกิยาการเลยมันเลยไม่มีเกิดไม่มีดับเขาเลยเรียกว่าอมตะธาตุห้อยวิญญาณเนี่ยหรือเจดั้งเดิมแท้ๆหรือธาตุรู้เนี่ยมันออกมาจากไอ้กายเนื้อแต่ไอ้กายเนื้อก็ตายแล้วมันก็ออกมาจากไอ้กายจิตจะสังขารเลยกายปร่งแสงที่มันมีกิยาการเนี่ยไอ้กิยาการเนี่ยมันก็เลยดับมันก็เลยเหลือแต่รู้ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็เลยเป็นอมตะ ที่มันไม่ไปเข้าร่างไหนได้หมดอีกต่อไปแล้วเพราะมันหลุดออกมาจากาจิตต์สังขารปรุงแต่งแล้วเลยมันไปนปรุงแต่งให้เป็นกายอะไรต่อไปอีกไม่ได้มันเลยเป็นรู้ที่เป็นอมตะตลอดกาล ร, รู้ก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนรู้หรอกมันกลายเป็นความหายไปในความว่างเปล่าพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าจิต ด, ดั้งเดิมแท้ๆหรือวิญญาณเนี่ยของพุทธเจ้าพระอันทั้งหลายเมื่อกลับคืนสู่ความสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและในจิตใจซึ่งเป็นความปรุงแต่งแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ธาตุขันมาแตกดับจิตหรือวิ ญ, ญญาณเนี่ยมันก็จะหายกับคืนไปกลายเป็นหนึ่งเดียวกับในธรรมชาติหายคืนไปในความว่างเปล่าของธรรมชาติหายไปอย่างไรล่ะก็หายไปดับเปลวไฟ ท, ที่ทิ้นเชือ้อหรือเหมือนกับเปลวไฟที่อยู่ต่อหน้าเทียนเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยแล้วถูกเป่าดับเพืบอแล้วมันก็หายไปในธรรมชาติแบบนั้น่แหละยมมาทูตโยมพบาล น, นักหลายผู้ที่มาเชิญวิญ ญ, ญาณทั้งหลายไม่ว่ามาจากที่ใด รมทั้งเจ้ากรรมในเวมมันก็หาไม่เจออีกต่อไปเพราะมันหายตัวไปแล้วอ่ะมันไม่เหลือไอ้กายโปร่งแสงให้เหลือแล้วอ่ะไอ้ที่มันจะมาลากเขาไปลงโทษได้มันต้องมาลากไอ้กายปร่งแสงไปเนไอ้กายเนื้อมันเน่ามันลากไปไม่ได้ก็ไม่ลากไปหรอกมันจะมาลากไอ้กายปร่งแสงไปแต่นี้มันหายไปเลยลากไปไม่มีอ้าวหายไปไหนเพราะอะไรเป็นจิตหรือวิญญาณนะเดินแท้มันออกมาจากไอ้ลางไอ้กายโปร่งแสงไปแล้วลางไอ้จิตที่มีความรู้สึกึกคิดอารมณ์ไปแล้ว มันเลยไอ้ร่างนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีวิญญาณอยู่ไอ้กายโปร่งแสงเนี่ยไอ้กายปร่งแสงก็เลยดับเหมือนกับไอ้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาจากกายเนื้อไอ้กายเนื้อก็ดับพอจิตวิญญาณออกมาจากไอ้กายโปร่งแสงไอ้กายที่มีความรู้สึกนกคิดอารมณ์ไอ้กายโปร่งแสงนั้นก็เลยดับมันก็เลยเหลือแต่รู้แต่ถ้าไม่ออกมาเราไปยึดเอาไอ้ผู้คิดผู้นึกผู้ตื่ผู้ตองไอ้ผู้ไม่สบายผู้แน่นอัดยังปัดกว้าโล่งแต่ว่าแน่นอัดไอ้ผู้คิดผู้นึกเราไปเอาไอ้ตัวนั้นยันเลยเนี่ยเราไปเอาตัวนั้นไป ตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปไหนละตอนนี้โดนลากับทุกชาติทุกชาติแล้วแหละเราก็เลยไม่ออกจากไอ้ล่างที่มันกลายปรุงแตง่งไอ้ล่างที่มันปรุงแต่งได้เราไม่ได้ออกสักทีหนึ่งเราก็เลยกลายเป็นต้องไปกับมันเรื่อยไปแล้วถูกวิพากษสารลงโทษเรื่อยไปพบแล้พบเล่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าโอกาสจะกลับมาเป็นคนหรือเทวดาอีกอยังยากเลยไปอาบายหมด เ, เกิตายแล้วมันภาษาวกถามว่าหรือเทวดาเนี่ยอิฐถามพุทธเจ้าว่า เนี่ยเป็นคนแล้วจะกลับมาเป็นคนอีกเนี่ยหรือว่าเป็นเทวดาแล้วจะกลับโอกาสจะกลับมาเป็นเทวดาไม่ตกอบายเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยพระเจ้าตัดก็ดูดินในขี้เล็บพระองค์เนี่ยกับดินในผ้าพื้นปัตพีเนี่ยใครมากกว่ากันอ่ะเนี่ยคนและเทวดาทั้งหลายเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ไปอับายเท่ากับจำนวนดินในพื้นปัตพีเนี่ยแหละโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนหรือกลับมาเป็นเทวดาใหมก่ก็เท่ากับดินในขี้เล็บเนี่ยเราคิดดูดินมันจะกลับมามอ่ะ มันต้องออกมาจากไอ้ร่างของไอ้ไอ้ร่างที่มันปรุงแต่งได้คือไอ้จิตสังขารเนี่ยไอ้ตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตอบผู้มีอารมณ์ผู้มีความฟุ้งซ่านผู้มีความสบายไม่สบายมีทุกผู้มีไอ้ตัวเราผู้ฟองสายผู้เส้าหมองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นจิตสังขารปรุงแต่งชื่อมันก็บอกแล้ว่าปรุงแต่งมันเป็นสิ่งที่เกิดจับได้เปลี่ยนแปลงได้มีกรายาการให้ถูกรู้ได้มันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นตนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันต้องแตกดับทําลายไปแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงเอาไว้กายเนื้ออย่าไปหลงเอาไว้จิตสังขารกายจิตเนี่ยเป็นเราเป็นตัวราวเป็นตัวตนของเราเราคือไอ้เนี่ยวิญญาณที่มันมามาผสมเนี่ยวิญญาณดั้งเดิมแต่แท้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยจิตหรือวิญญาณดั้งเดิมแต่แท้เนี่ย มันเป็นอสลีลังไม่มีรูปพันธสัมผัสใดๆเลยมันไม่มีกิยาการรู้ด้วยไอ้ที่เราไปคอยเพ่งคอยดูคอยรู้เนี่ยมันเอาขันห้าไปคอยเพ่งคอยดูคอยรู้เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยมันมีเจตนาที่จะไปดูจิตได้มันมีความพยายามที่จะไปดูจิตได้มันมีความตั้งใจที่จะไปดูจิตได้ไอ้ตัวเจตนาตัวจงใจตัวตั้งใจตัวพยายามที่จะไปดูจิตเนี่ย มันเป็นจิตตังขารเป็นขันห้าเพราะไอ้ความตั้งใจจงใจเจตนาตัวพยายามที่จะไปดูจิตเนี่ยที่จะไปรู้จิตอันเนี้ยมันเป็นสังขารขันมันเป็นสังขารเป็นจิตตังขานเป็นกายจิตเป็นกายโปร่งแสงนั่นแหละไม่ใช่เป็นรู้รู้เนี่ยมันเลยเจตนาอีกมันไม่มีเจตนามันเป็นมันได้แต่เป็นการรับรู้ตามธรรมชาติปกติเหมือนดั่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่แหละ มันไม่มีเจตนาที่เอาตาไปมองเห็นร hmm. ูปพอมีรูปโผล่กันมามีรูปเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยมองเห็นกันเราไม่ต้องมีการตั้งใจที่จะเห็นไม่ต้องมีเจตนาที่จะเห็นไม่มีความพยายามที่จะเห็นมันก็สามารถเห็นกันได้รู้กันได้เรียกว่ารู้รูปความรู้รูปเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ปัจจากความตั้งใจถึงจะรู้ปัจจณาเจตนาที่จะรู้ปัจจิตาความพยายามที่จะรู้ปัจจจักความพยายามที่จะรู้ ดังนั้นเวลาพวกท่านทั้งหลายรู้รูปท่านจึงไม่ต้องใช้ความพยายามความตั้งใจคือความจงใจหรือหรือเจตนาท่านก็สามารถเห็นรูปได้แบบเดียวกับท่านได้ยินเสียงท่านได้ยินเสียงท่านไม่มีความต้องจงใจจะได้ยินเสียงถึงได้ยินเสียงท่านจะจงใจได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงเจตนาหรือไม่เจตนาพยายามหรือไม่พยายามท่านก็ได้ยินเสียงหลวงตาพูดเพราะ ความได้ยินเสียงมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าได้ต้องการจะรู้ว่าหลวงตาพูดมีเนื้อหาสาระว่าอย่างไรต้องตั้งใจฟังไอ้ความตั้งใจฟังเนี่ยมันเป็นจิตสังขารมันต้องอาศัยจิตสังขารหรือไอ้กายโปร่งแสงที่มันอยู่กับไอ้กายเนื้อเนี่ยกายาสังขารเนี่ยมันจะต้องรู้ฟังเข้าใจตั้งใจเจตนาได้แต่เราก็รู้ว่าไอ้ตัวตั้งใจเนี่ยมันเป็นสังขารแต่เราต้องตั้งใจฟังให้หลวงตาพูด รู้ว่าเรื่องรู้เรื่องอะไรพูดว่าอะไรแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นจิตสังขารเป็นในกายเนื้อบวกไอกายป่องแตงที่มันรวมกันอยู่มนเลยตั้งใจจะฟังได้แต่ถ้ายินเสียงเฉยๆไม่ต้องการจะรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรมันไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องเจตนาไม่ต้องพยายามไม่ต้องจงใจมันก็ได้ยินเสียงแล้วเพราะมันเป็นความรู้โดยธรรมชาติการรู้อาการของใจเนี่ยมันเป็นความรู้แบบเดียวกับที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง มันเป็นความรู้ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องจงใจไม่ต้องเจตนาไม่ต้องพยายามไปดูจิตไปรู้จิตถ้าเรามีเจตนาเรามีความพยายามจะไปดูจิตไปรู้จิตอันนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราเจตนาฟังหลวงตาพูดกับพูดเรื่องอะไรมันจึงเป็นสังขารปรุงแต่งถ้าเราเนี่ยตั้งใจจงใจพยายาม หรือมีเจตนาที่จะเขับไปดูจิตเมื่อไรเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเดียวกับที่พวกเราเนี่ยตั้งใจจงใจเจตนาพยายามจะปางลงตาพูดได้ชัดๆปลายตาพูดเรื่องอะไรอันเนี้มันเป็นความปรุงแต่งเป็นที่มันยังรวมอยู่ไก ล, ย, กลยเนื้อเนี่ยไกลปรุงแต่งและอจิตปรุงแต่งเป็นการปร่งแสงอยู่แต่ถ้าไปรู้โดยไม่มีการตั้งใจไม่มีเจตนาอคือมันเป็นรับรู้โดยธรรมชาติทางตารู้อาการของใจก็เหมือนเป็นแบบเดียวกับรู้ทางตารู้ทางหู คือเมื่อตาเห็นรูปมันก็เห็นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องเจตนาไม่ต้องจงใจไม่ต้องพยายามจะไปเพ่งรูปถึงจะเห็นรูปคือมันเห็นรูปโผล่ก็มามันก็เห็นเลยเนี่ยพวกเราก็มองเห็นกันโดยไม่ต้องไม่ต้องมีเจตนาเลยได้ยินเสียงโดยไม่ต้องมีเจตนาเลยแต่ถ้าได้จะต้องการรายละเอียดของรูปต้องการรายละเอียดของเสียงว่าพูดอะไรจึงต้องตั้งใจจงใจเจตนาไอ้ตั้งใจจงใจเจตนาหรือพยายามเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่ง แต่การรับรู้ขึ้นมาเลยโดยธรรมชาติมันคือความไม่ปรุงแต่งเขาเรียกว่าวิสังขารหรือวิญญาณดั้งเดิมแทๆ้ๆหรือจิตดั้งเดิมแทๆ้ๆหรือใจดั้งเดิมแทๆ้ๆของเราทุกคนซึ่งมีหมดแล้วในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในในปุตตชนในสัตว์เปรจชานการรับรู้โดยไม่มีไม่มีความตั้งใจจงใจเจตนาทางตาหูจมูกจิตใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วในสัตว์ประชานทุกประเภทหมานเนี่ยมันที่มันมันเนี่ยมันเาฟังทำเนี่ยเราพอเราแสดงทำแล้วมันต้องมาไม่ว่าดีไหนเดี๋ยวมันต้องมาไอตัวเนี่ย เะนั้นเนี่ยมันมีความรับรู้เหมือนพวกเราแหละว่าไอ้ไอ้ความรู้โดยธรรมชาติเนี่ยมันมีหมดแล้วในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในสัตวต์ในฉาญในปุตตชนทั้งหมดแต่ความอาวิชชาเนี่ยเราเนี่ยไม่เข้าใจเหตุผลอันนี้ที่อธิบายนีย่มันเลยเป็นอวิชชาก็เลยเราเลยจับผิดตัวอยู่เรื่อยไปอ่ะเราไปเอาไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นกายเนื้อเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือไม่เช่นนั้นเราก็เออ ไอ้กายจิตหรือจิตสารการกายโปร่งแสงที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันมีกิริยาอาการได้เนี่ยว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราไม่สบายเราแน่นเราอัดเราทุกข์เราโศกเราเศร้าเราเสียใจเราครับแกนใจเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้อยู่นั่นแนะแต่ไม่เป็นเรารู้เสถียรไม่เป็นรู้เหมือนที่การรู้เอาตายเห็นรูปรู้แบบหูฟังเสียงรู้อาการของใจโดยไม่มีตั้งใจเจียงใจเจตนาพยายาม รู้มันเป็นการรับรู้แบบเดียวกันเหมือนดังตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะ่ะมันเป็นการรับรู้หรือเป็นธาตรู้ตามธรรมชาติที่นอกเหนือการตั้งใจจงใจเจตนาหรือพยายามที่จะรู้หรือพยายามเพ่งแล้วจึงจะรู้ได้มันรู้ขึ้นมาเลยโดยธรรมชาติเขาจึงเรียกว่าธรรมธาตุหรือธรรมชาติของการรู้รู้โดยธรรมชาติไม่มีใครไม่มีใครไปตั้งใจจงใจหรือเจตนาพยายามรู้เราเนี่ยเป็นรู้อย่างนั้นแต่เราไปเอาไอ ไอ้กายเนื้อที่มันปรุงแต่งกับไปเอากายจิตที่มันปรุงแต่งมีอาการเน่ะเป็นเรามันเลยผิดตัวพอตายแล้วเนี่ยมัเลยวิญญาณหรือจิตดังเดิมแต่เนี่ยรู้เนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันเลยออกแต่กายเนื้อแต่มันไม่ออกจากไอ้กายจิตต่ังขานที่ปรุงแต่งมันเลยตึงผสมกันไปแล้วตอนเด็กก็จับเอาไปลงโทษไอ้เจ้ากรรมในเวามันให้ผลได้มันไม่หายตัวไปได้มันเมื่อไม่เป็นรู้มันเลยหายตัวไปไม่ได้ไม่เหมือนกับพระเจ้าพระหลานทั้งหลายเพราะท่านเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติปุ๊บท่านเลยหายตัวไปได้ ปืนไปในหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมแท้แท้หายไปเหมือนด่งเปลวไฟที่ทิ้นเชื้อหรือเปลวไฟเทียนที่ถูกเป่าดับพึบหายไปนี่แหละพวกยมบาลหรือยมทูตหรือเจ้าการในเวรก็ไม่อาจจะให้ผลได้เพราะว่าจับไปไม่ได้จะไปหาจับใครไปลงโทษก็หาไม่ได้เหมือนดังพระโคติกะในสมัยพุทธกาลเชื้อขอตายพระโคติกะ ปวยเจ็บปวดาทุกทรมานมากเลยเอามีดมาเชือดคอตายในขณะที่จะตายเนี่ยเกิดปงสังขารได้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจที่เป็นสังขารปรงแต่งเข้าไปถึงธรรมชาติของรู้ธาตุรู้ได้ที่เป็นจิตดั้งเดิมแท้ๆพอพระโคติกาตายปุ๊บยมมทูดเนี่ยมารออยู่ก่อนแล้วอ้าว หาวิญญาณพระโคติกะไม่เจอจะไปลงโทษเพราะว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะต้องได้รับโทษบาปกรรมเก่าที่ยังใช้ไม่หมดเพราะว่าฆ่าตัวตายหนีไปและยังต้องไปรับโทษใหม่คือเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไรก็ต้องฆ่าตัวตายห้าร้อยชาติอา้าวไหนหาวิญญาณไปลงโทษไม่เจอเพราะว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเ อ, เอ้าไอ้เอ๊กกายโปร่งแสงของพระโคติกะหายไปเนี่ยหายไปไหนจะจับตัวไปลงโทษตัวหน่อยเนี่ย หายไปไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหายตัวไปแล้วคืนหายไปในความว่างเปล่าของจักรวาลเลยไปถามพุทธเจ้าว่าอ้าวกลับทูลถามพุทธเจ้าว่าเอ้จิตวิญญาณของพระโกติกะหายไปไหนเจ้าไปลงโทษหาไม่เจอพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโกติกะบรรลุอารหันต์ไปแล้วสิ้นถึงความยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตวิญญาณก็เลยดับไปเหมือนด่งไฟสิ้นเชื้อหรือเปลวไฟที่ดับพื้นหายไปในไหนไม่ ทังบาปกรรมแทะผลที่จเจ้าไปลงโทษที่จะจับไปก็เลยไม่สามารถาไปได้เออพวกยมมาทูต่ต่างหลายก็เสียใจไม่สามารถจับเอาวิญญาณของพ่ติโกติกาไปได้ เ, เลยกลับไปนี่แหนเหตุผลทําไมอ่ะพระพุทธเจ้าวเวลาตัดกลับไปะยะไพระยะเนี่ยเป็นคารวะเดินทางมาหลายร้อยโยชตหลายร้อยไม้ ต้องการจะถามพรธเจ้าแต่เพียงว่าทํายังไงถึงจะบรรลุพรนิพพานทํายังไงจะรรุนิพพานแต่พระเจ้าบิณฑบาตอยู่การถน น, นอ่อนวอนทับจะ ก, กอดเท้าว่าทํายังไงพระเจ้าจะบรรลุนิพพานได้อ่อนวอนอยู่ตั้งน้ำเจ้าพระเจ้าพูดประโมใจให้ให้ถึงซึ่งความสงบใจได้แล้วก็เลยให้ พ, พยัสจะต้องตั้งใจฟังให้ดี ทำไมเราจรึงเปรียบเทียบไอเห็นเมื่อกี้พยายามจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าการรู้อาการทางใจเนี่ยรู้ทุกกริยาการรู้ทุกคิดทุกอาการเน่ะเหมือนดังตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงเพราะว่าพุทธเจ้าตัดกับพยิพยะว่าพิยะเธอต้องตั้งใจฟังให้ดีเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้อาการทางใจสักแต่ว่ารู้นั่นแน่เธอจะบรรลุพระนิพพานจะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันตายแล้วก็จะหาตัวตนไม่เจอเธอจะสิ้นกิเลสและความทุกข์ พยาฟังจบอ่ะเข้าใจถึงการรับรู้โดยธรรมชาติเลยเราว่านะคือว่าอ๋อทําไมพุทธเจ้าแทนจะแทนจะบอกว่าเมื่อเธอรู้อาการทางใจเธอตรงสักรู้เต่รู้ว่าอาการทางใจไม่ะพุทธเจ้าบอกว่าเห็นสักแต่ว่เห็นได้ยินสักแต่ว่ยินรู้อาการทางใจสักแต่ว่ารู้นั่นแน่เธอจะไม่มีตัวตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็เธอจะสิ้นกิเลสและสิ้นทุกเธอจะบรรลุวินิจพานก็คืออะไรก็ นี่เนีการเห็นคือหรือการรู้ทางตาเนี่ยมันสามารถรู้ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องมีเจตนาจงใจหรือพยายามที่จะรู้หรือเพ่งถึงจะรู้รูปได้มันเป็นความรู้ที่รู้ขึ้นมาเลยโดยธรรมชาติแท้ๆนี่เนี่ยไอ้ที่รู้โดยธรรมชาติแท้ๆก็เรียกว่าพุท ธ, ธะหรือวิญญาณธาตุแท้แท้ดั้งเดิมหรือเรียกอมตะธาตุอมตะธรรมหรือเรียกนิพพานธาตุคือความรู้ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีกิริยาการ ใ, ใดๆของผู้รู้และมันเป็นความรู้ที่ไรเจตนาจงใจพยายาม หรือตั้งใจใดๆทั้งมวลเพราะถ้าเจตนาตั้งใจจะรู้เพ่งจะรู้พยเพ่งให้รู้มันเป็นปรุงแต่งแต่ความรู้อาการทางใจที่เป็นอย่างเดียวกับรู้รูปทางตาหูได้ยินเสียงโดยไม่ต้องตั้งใจจงใจเจตนาหรือพยายามที่จะรู้เป็นความรู้โดยธรรมชาติแตท้ๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไร่เจตนาไร่ความจงใจไร่ความตั้งใจไร่ความพยายามไร่อาการที่เพ่งใดๆทั้งมวล มันก็เหลือแต่ความว่างเปล่าไป แ, แล้วมันเลยเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าพันทั้งหลายหรือพระโกติกาที่หายตัวไปที่ย ม, มทูตตามหาไม่เจอก็เสียใจกลับไปเราทุกคนเนี่ยจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากทุกพ้นจากกรรมเวรพ้นจากที่เขาลากเอาไปลงโทษได้ก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้เนี่ ให้มันได้ให้มันเข้าใจได้เหตุและผลเนี่ยทำมาจริงสอนอย่างนี้จะมาจึงพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้จริงผสอนแต่ละครั้งทํำมาจริงสอนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราคงมั่วอยู่นั่นแน่วะเอะเ๊ยวก็จะหมาแล้วสิบปียี่สิบปีผ่านไปอาจารย์ทำไมหนูมันแน่นมันจุกมันอึนอดอดัดทําไมหนูมันคิดคกุศลอกุศลทําไมหนูไม่ว่างโล่งโปร่งสบาย เดีวก็มาหนูว่างโลกป่งบสบายหนูมันเป็นอย่นั้นมันไหลแล้วถ้าหนูเป็นไอตัวอาการมันก็เป็นไอจิตสังขารเป็นไอกายป่งแสอยู่นั้นถ้าหนูเป็นอยนนั้นน่ะมันไม่เป็นหนูเป็นรู้เสีทีอ่ะที่เป็นรับรู้อย่างธรรมชาติเหมือนตาเห็นรูปโอ้ได้ยินเสียงรับรับรู้ทางใจก็เป็นแบบรู้ธรรมชาติอันเดียวกันไม่โดยไรเจตนาไรจงใจไรการพยายามไรการที่เพ่งถ้ามีเจตนาจะเข้าไปดูจิตหรือจงใจจะเข้าไปดูจิตหรือพยายามจะไปรู้อาการของจิตอันนั้นน่ะมันเป็นสังขารปรลงแต่งให้รู้เสเลย อันเนี้ยมันรู้ขึ้นโดยหลายเจตนาหลายความพยายามหลายความปรุงแต่งหลายความเพ่งหลายการจ้องมันเป็นการรับรู้อาการทางใจที่มันรู้ขึ้นมาเลยแบบเดียวกับตายลูกผูได้ยินเสียงนั่นแหละมืงจีเป็นรู้โดยธรรมชาติธรรมชาติรู้หรือรู้โดยธรรมชาติหรือธรรมธาตุหรืออมตะธาตุนิพพานธาตุสุญญาตาธาตุสุญญาตาคือความว่างอันเดียวกับธรรมชาติเขาจึงเรียกสุญญตาธาตุ เวลาตายแล้วมนเลยหลุดกายไปหลุดออกจากกายเนื้อหลุดออกจากกายจิตตสังขารที่ปรงแต่งที่มีอาการต่างๆกลายไปเป็นความว่างเป็นสุญญตาธาตุไปเนี่ย <Yeah. S 1> เหตุผลทั้งหมดที่พระเจ้าให้ไว้จะทำอย่างไรอ่ะพวกเราจรึงจะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้ให้เข้าใจถึงความจริงอันนี้ด้วยปัญญาอันสูงสุดปัญญาที่เข้าจริงอันสูงสุดให้ได้ก่อนตาย เราจะต้องเข้าถึงความจริงในปัญญาสูงสุดนนี้ได้เขาเรียกว่าพุทธศาสนาคือมีปัญญาเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนี้ได้ไม่ใช่พุทธศาสนาคือความงมงายคือความเชื่อพุทธศาสนาคือมีปัญญาเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนั้ได้ใจของเราด้วยสติปัญญาของเราที่พระเจ้าท่านถ่ายทอดมาไว้ให้จากประสบการณ์ตรงของท่านผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านมาจนถึงเราผ่านมาอย่าถือพวกท่านนี่แหละ ทั้งมนุษย์และเทพทิวได้มยมญาณนาคุณมนุกน์ท่านสรรพสัตว์ทั้งหลายลดแต่ฟังเข้าใจได้หมดได้ไม่จ้เฉพาะพวกท่านทั้งหลายสามารถไปทำความเข้าใจได้เพราะมีสติปัญญาเหมือนกันเมื่อเข้าใจได้แล้วก็จะพ้นทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกลับไปเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลดังเดิม ทำความเข้าใจให้ดีนะตรงเนี้ยที่เราพูดวันนี้ต้องทําก็เข้าใจใละเอียดเลยแล้วมันจะเข้าถึงความจริงได้เหตุผลทําไมจริงต้องปฏิบัติอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องนี้เดี๋ยวถ้าฟังไม่เข้าใจเสร็จแล้วมาถามเราอีกอ้าวเอเ อ, อธิบายแทบตายมันทําไมเริ่มต้นไปเริ่มต้นไปเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยล่ะเนี่ยอา้าวเดี๋ยวอธิบายใหม่อ้าวกี่ปีกี่ปีปอา้าวทำไมมันไปเริ่มจับอาการเหมือ น, มนไปเอาตัวอาการจะพยายามทา พุ่นวายจะเอาแต่อากาศที่ดีๆอยู่นั่นแหละเอเดี๋ยวก็เอา้ามันจะไปยุ่งเอา้าพูดใหม่อีกเดี๋ยวใหม่มันทําไมไม่หยุดคิดสักทีเอา้าไหนเราบอกให้รู้มันจะเอาให้หยุดคิดปฏิบัติบอกไงก็ตามหลายปีมาทําไมมันไม่หยุดคิดสัทีมันอไปคิดเป็นคนนั้นคนนี้อีกแล้วไปคิดถึงอดีตอนาคตทํายังไงให้มันไม่คิดพยายามจะพุโทโธอัดเท่าไหร่ก็ พุโทโธพุโทโธพุโทโธมันทำไมไม่สามารถไม่คิดได้มันไปคิดอีกแล้วมอโหจริงๆรงอ้าวไหนไปคนละเรื่องแบบนั้นน่ะไหนพูดอยู่ดีๆมันจะไปทําให้ไม่คิดซะแล้วเอาพุโทโธอัดกระหน่าเข้าไปเพื่อให้ไม่คิดไม่คิดไปถึงเรื่องที่ไม่สบายใจอ้าวก็ธรรมชาติครัไอฝ่ายคิดคือไอจิตที่มันมันเป็นไอกายโปร่งแสงอะ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องคิดไง แล้วเราจะไปทํำยังไงให้มันไม่คิดเลยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องคิดไอ้กายปร่งแสงที่กระเด็นออกมาจากไอ้กายเนื้อเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องคิดแต่เราซี่มันเป็นรู้เราไม่ได้เป็นคนคิดแต่แต่รู้ว่าเนี่ยไอ้กายปร่งแสงเนี่ยมันคิดเออแต่เรามันไม่ได้คิดแต่แต่เป็นรู้ไม่หลงเอาตัวเองไปเป็นคนคิดแต่แต่เป็นรู้ไม่หลงเอาตัวเองคิดแต่ตัวคิดยังไงเราก็ไม่หลงเอาไว้ตัวที่คิดเป็นตัวเรา วิธีที่เราจะจะเป็นรู้ได้ไม่ใช่ว่าเราพยายามทําตัวเราให้ไปคนอยรู้ไว้ถ้าเราพยายามทําตัวให้เราเป็นคนคอยรู้ไว้มันก็จะกลายเป็นปุ่งแต่งตลอดเลยตอนนี้ยมันเจตานาจะรู้พยายามจะรู้จะพยายามเอาตัวเราไปรู้ให้ได้แล้วก็มาร้องไห้กับเราหลายคนนะอาจารย์ทําไมมันไม่รู้ซื่อๆเอาเราว่ามันเป็นยังไงมันถ้ารู้ซื่อแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ ถ้ารู้ซื่อเนี่ยมันก็จะไม่คิดอะไรต่ออีกแล้วมันก็แค่รู้แล้วมันจะไม่คิดอะไรต่ออีกแล้วอ้าเดี๋ยวเข้าใจยังไงเนี่ยถ้ามันรู้ซื่อแล้วมันจะไม่คิดอะไรต่อเอมันก็ต้องคิดอย่างนั้นแน่มันก็ปกติมันรู้แล้วไอ้ตัวเราไปรู้อะไรมันก็ต้องตัวเราก็ต้องคิดตัวเราไปรู้อะไรแล้วมันก็ต้องคิดเพราะว่า มันอยู่รวมกันในกายเนื้อกับตัวเราเนี่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้กายจิตมันก็อยู่ในรวมในตัวเราไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวเราไปรู้อะไรมันก็ต้องคิดไอ้ตัวที่คิดอ่ะมันเป็นในกายจิตมันก็อยู่รวมในตัวเรายังไม่ตายอ่ะไปรู้มันก็อยู่ในตัวเรานี่แน่ไอ้สามตัวเนี่ยมันอยู่รวมกันในตัวเรานี่แน่ไอ้กายเนื้อเลยยังไม่ตายก็ไอ้กายเนื้อก็ยังอยู่ไอ้กายคิดไอ้กายจิตเนี่ยมันก็ต้องรู้อะไรมันก็ต้องคิดรู้อะไรมันต้องคิดเพราะมันรวมอยู่ในกายเนื้อจะไปบอกาม่ในคิดได้ไงเพราะว่าไอ้กายจิตม มันก็เลยต้องคิดรู้อะไรมันก็ต้องคิดรู้อะไรก็ต้องคิดติดตองรู้อะไรก็ต้องมีอาการแต่ไอ้รู้เนี่ยมันมีอีกอันเดงมันมีรู้อีกอันเดนมีสามตัวแต่รู้เนี่ยมันไม่มีตัวหลักมันเหมือนกับมีเรามีสามตัวแต่รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีอาการใดๆมันแต่รู้ไว่ากายเนื้อกําลังคิดอะไรกําลังทํางานอะไรกําลังทํากิจกรรมงานอะไรไอ้กายไอ้รู้เนี่ยมันก็เลยรู้ไอ้กายเนื้อเราเนี่ยที่เดินจงกรมกายเนื้อเราที่ทํากิจกรรมงานอะไร เรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมเราสวดมนต์ไหว้พระเรากินข้าวเราก็ขอน้ำของซุวมดื่มกินเราทํากิจการงานใดเนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันก็รู้ไอ้กายเนื้อเนี่ยทํางานอยู่ตลอดเวลาไอ้กายจิตมันคิดอะไรไปรู้อะไรมันก็ต้องคิดรู้อะไรมันก็ต้องคิดไอ้กายจิตเนี่ยผพมันเป็นธรรมชาติของกายจิตมันต้องคิดรู้อะไรมันก็ต้องคิดรู้อะไรต้องคิดอ่ะมันก็ต้องรู้ทั้งกายร่างกายเนื้อและรู้ทั้งกายจิตที่มันคิดอะไรถ้าไม่คิดอะไรมันก็เป็นคนมันก็ต้องคิดเป็นคนจะให้ไม่คิดไม่ได้ ก็คิดเนี่ยว่าไอ้กายจิตเยังอยู่มันยังไม่ตายแต่มันมีอีกอันหนึ่งคือมันมีรู้มีสามตัวแต่รู้นไม่มีตัวหรอกแต่เราพูดสมมติว่ามันมีตัวอีกอันเรามีสามตัวคือไอ้รู้เนี่ยก็เรียกพุทธะหรือที่เรียกว่ากายพุทธะก็ได้เป็นพุทธะเพื่อมันแยกออกมาจากกายเนื้อและกายจิตเรียกว่ากายพุทธะนั้นเป็นรู้มีอีกอันหนึ่งไอ้รู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นตัวที่เป็นกายกายจิตจิตคิดงนึกตึกตอมปรุงแต่ง มันเป็นรู้ที่มันไม่ไม่มีกิยาการ ใ, ใดๆวิธีที่เราจะพบรู้เพราะว่ามันมีกายกายเนื้อกายจิตที่มันคิดถึงตอนปรุงแต่งมีอารมณ์ได้และอีกอย่างหนึ่งคือรู้หรือเรียกว่ากายพุทธะก็ได้ไม่ใช่ว่ากายของพุทธเจ้านั่นคือผู้รู้นี่แหละธาตรู้นี่แหละเราจะเข้าถึงอันนี้ได้ยังไงอ่ะท่านว่าเอา้าเราก็จะไปยึด ไอ้กายเนื้อสิเพราะว่ามันมีสามกายเนี่ยเราก็จะไปหลงยึดเอากายเนื้ออาเป็นตัวเราตัวตนของเราสิเราก็จะไปยึดไอ้กายจิตสิเนี่ยสําคัญใช่ไมเราอย่าไปยึดเอาไอ้กายจิตเนี่ยกายจิตอะไรไอ้ตัวคิดตึ้ต่ตอนปรุงแต่งตัวที่มีอารมณ์อย่างนั้นตัวที่มีอารมณ์อย่างนี้ตัวที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันมีอาการได้อย่ามายึดเอาเป็นตัวเราเราจะยึดเอาไอ้กายสองกายไอ้กายเนื้อไอ้กายจิตเนี่ยอย่าไปยึดตัวเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแค่นั้นแหละเราก็เลยกลายเป็นกายที่สามโดยอัตโนมัติ เพราะว่าเมื่อเราสิ้นไปเป็นสังขารคือสิ้นไปเป็นสังขารกายกายสังขารสิ้นไปเป็นจิตสังขารหรือหรือหรือไอกายจิตเมื่อเราสิ้นสังขารเนี่ยคือสิ้นไปหลงเอาสังขารกายเป็นตัวเราไปหลงเอาสังขารจิตเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพอสิ้นหลงอันนั้นเนี่ยสิ้นสังขารก็มีธรรมอันมั่นคงนี่แหละองค์ธรรมเอกวิเวกจริงเนี่ย ทีลวงปู่มั่นปุริตโตเขียนไว้ในขันทวิมุสมังคีธรรมะคือต้องสิ้นหลงเอาสังขารมาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็จะเป็นวิสังขารคือไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเป็นวิสังขารคือมันปรุงแต่งอะไรไม่ได้เลยเราจะถึงวิสังขารซึ่งเป็นผู้รู้ที่ไม่สังขารไม่ปรุงแต่งไม่มีความรู้สึกนม่คิดอารมณ์อะไรได้เราต้องอย่าไปหลงเอาเราเป็นสังขารหรือเอาสังขารเป็นตัวเรา พอเราลิ้นสิ้นหลงครัตัวเราไปเป็นสังขารหรือสังขารปรุงแต่งที่มันมีร่างกายหรือกายสิตที่มันมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์อ่ะเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็จะพ้นจากสังขารพราะว่าจากสังขารปุ๊บมันก็เป็นวิสังขารเป็นผู้รู้ที่ไม่สังขารโดยอัตโนมัติเองไม่ใช่ว่าเราพยายามจะทําตัวเราให้รู้คาไว้แล้วก็มโหว่าให้มันรู้อยู่เฉยไม่ให้มันปรุงแต่งอะไรเพราะว่าอาจารย์บอกว่ารู้มันคิดไม่ได้ก็เลยพยายามให้มันรู้โดยไม่คิด อ้าวเลยมันหนักเลยตอนนี้ยมันก็ใจผิดพยายามทําให้รู้ไม่คิดทั้งไอที่พยายามรู้มันก็เป็นสังขารแล้วไปปรุงแต่งให้มันไม่คิดอีกต่างหากมันก็เลยกลายเป็นสังขารเลยตอนนี้สังขารซ้อนสังขารเลยเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรก็ได้แต่รู้มันเป็นยังไงก็ได้แต่รู้เพราะว่าธรรมชาติมันก็ได้แต่รู้แค่นั้นอย่าไปยึดมันจิตมันดีไม่ดีก็อย่าไปยึดมันมันไม่ได้สิอาจารย์มันรู้อะไรแล้วมันต้องคิดเลย ก็ธรรมชาติต้องคิดแล้วไปยึดผิดตัวก็ใจผิดจะไปทำในตัวเองอะสักตะวันรู้ไว้โดยไม่ให้ไม่ให้สังขารอะไรไอ้ตัวเองพยายามไปทาให้ตัวเองสักตวันรู้ไม่สังขารนมันคือสังขารแล้วเราจะไปทำฝึกเราให้เป็นรู้ไม่ได้เราเนี่ยจะไปฝึกตัวเราให้เป็นรู้ไม่ได้ถ้าเราไปฝึกตัวเราให้เป็นรู้มันเอาเอาขันหน้าในตัวเราเนี่ยไปเป็นรู้ซะเราฝึกตัวเราให้เป็นรู้ไม่ได้ วิธีจะจะถึงไงวิสังขารเนี่ยหรือเป็นรู้ที่ไม่สังขารไม่ปรุงแต่งเนี่ยคืออย่าไปยึดเอากายเนื้อที่เป็นสังขารเนี่ยมาเป็นตัวเราตัวตนของเราอย่าไปยึดเอาไว้กายจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยที่มีกิริยาการจิตดีจิตไมดีจิตมันแน่นจิตจิตอาดจิตมันว่างจิตมันโล่งจิตมันโปร่งจิตมันเบาสบายเนี่ยอย่าไปยึดเอาไออาการของจิตตัวเนี้ยไอการจิตเนี่ยอาเป็นตัวเรามาเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราเนี่ย เป็นอย่างนี้เป็นอาการอย่างนี้เด f, <ล>ี๋ยวก็หนูเป็นอย่างงั้นหนูเป็นอย่างงี้หนูเป็นอย่างงั้นหนูเป็นอย่างนี้นนนนนนมันไปเอาหนูหรือผมเนี่ยมาเป็นตัวอาการซะมันผิดตัวเออเมื่อเราเนี่ยเห็นว่าไอ้สองตัวเนี่ยทั้งไอ้กายเนื้ออะไรไกายจิตที่มันมีกริยาการได้ไม่ใช่ตัวเราเราคือความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่แต่รู้ที่ไม่มีกริยาการในใจแต่เราว่าไปทําให้ตรงนั้นไม่ได้ไปทําตรงรู้ไม่ได้นีวิธีเดียวคืออย่าไปละอย่าไปเอาไอ้กายจิต กับไอ้กายเนื้อมาเป็นตัวเราตัวตนของเราเราละออกให้หมดเมื่อไรเราทุกขณะปัจจุบันมันเกิดขึ้นมาทุกความรู้สึกเมื่อคิตตึกตองในปัจจุบันไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปรองรับคือมีแต่อาการแต่ผู้ไปลองรับไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีมันก็เลยเป็นผ้าหลานกันหมดเลยเพราะอะไรมันมีแต่อาการแต่มันขาดผู้ไปรองรับขาดผู้ไปเสวยขาดผู้ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยกลายไปเป็นวิสังขาร หรือกลายไปเป็นธาตุรู้หรือธรระตัณฑ์ที่ผ่านธาตุเหล่ยสตองพัดอันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่เราอยู่กับท่านแต่ละท่านเนเราก็เห็นอย่างเนี้ยพอเราเห็นเนเอ๊ะทําไมท่านใสแบบนี้วะทําทไมมันมองทะลุไปหมดเลยไม่ติดอะไรเลยทําไมท่านใสแบบนี้มองทะลุไม่ติดอะไรเลย ท, ทํ า, าบบท ก, ทก็ปรากฏว่าเพราะท่านสิ้นผู้เสวย เห็นไหมอะทาปรากฏว่าที่ท่านใสไปหมดเลยมองทะลุไปหมดไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยทาปรากฏสวนคือนมาทันทีว่าที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะท่านสิ้นผู้เสวยนะไม่ใช่ว่าไอทําให้เรารู้คาไว้ไม่ไม่ปรุงแต่งไม่อะไรเป็นรู้เฉยๆสัตาว์วรู้อะไรไว้คาไว้อย่างงี้ยไมไ่เป็นหรอกคือมันต้องสิ้นผู้เสวยคือสิ้นผู้ประยุดอาการและสิ้นผู้ประยึดเอง ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไอ้อาการทั้งหมดเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยุบุ่นวายกับมันไม่มีใครไปแทรกแซงมันมันก็คงมีแต่อาการเก้อเกอาการเก้อเก้ไม่ว่าจะดีไม่ดีมันก็เก้อเกอยู่กันแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดมันไม่มีใครไปแทรกแซงมันท่านเลยสิ้นผู้เสวยเพราะทํามันปรากฏแก่ใจว่าเพรพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ้นแล้วซึ่งผู้เสวยอ่าท่านเลยเรากำลังล้างล้างเท้าไว้ท่าน กำลังสงน้าให้ท่านล้างขัดเท้าให้ท่านล้างลัางเท้าให้ท่านพอทำปรากฏเรากำลังก้มหน้าก้มตาเอ๊แต่ทำปรากฏอยู่ในใจของเราคนเดียวว่าท่านสิ้นบูสเวยแล้วจึดเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยอะไรเอ๊ท่านก็เร็วมากหละเพราะทำปรากฏแก่ใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ้นบูสเวยแล้วแคนั้นแหะท่านอะไรล้ตาเราเลยอ่ะ ท่านเร็วมากเลยเลยกลับขอกรมาท่านเออเมื่อกี้พอดีมีพระมีโยมอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าพูดแต่ท่านพูดแบบนี้ท่านคงจะเปิ ด, ดอนุญาตก็เลยว่าเนี่ยเมื่อกี้โอ้นวดเท้าท่านจับเท้าท่านล้างเท้าให้ท่านมันมันมันมันว่ามันมันทะลุไปหมดเลยไม่จิตขัดอะไรเลยทำไมพ่อแม่กูบาอาจเป็นอย่างนี้ทาก็ปรากฏว่าท่านสิ้นปูสเสวย ก็ลเลยบอกว่าแหมดอกเราก็นึกว่าโดนแน่แล้วเขาเนี่ยเราโดนแน่เลยท่านบอกแหมดอกคําราชาศัพท์เพียวความจริงมันก็คือสิ้นผู้กินอาการสิ้นไปผู้ยึดมั่นถือมั่นอาการเมื่อสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็สิ้นทุกสิ้นกิเลสถ้ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอาการใดอยู่มีผู้ก็ไยึดมั่นถือมั่นอาการใดอยู่มันก็มีกิเลสมีความทุกอยู่สิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นอาการมันก็เลยสิ้นกิเลสและสิ้นทุก สิ้นผู้หยุดม่านถือม่านแล้วมันก็เลยสิ้นกิเลสและสิ้นทุกผู้ที่สิ้นกิเลสและสิ้นทุกผู้สิ้นผู้หยุดม่านถือม่านแล้วเขาก็เรียกว่าพระอาหารหันต์อ๋อครับครับั บ, บ, บ, บ, บ, บ, บนี่แนะ ว, วิธีการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติ ท, ทําให้เราค้าทําตัวเป็นสัตว์ตะวรู้สัต์ตะวรู้ไว้ขารู้ไว้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันท่ากับปรุงแต่งตลอดเราจะเข้าไปถึงวิสังขารธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นพุทธะได้คือ สิ้นผูเ้เสวยอย่าไปยึดเอาไอ้ตัวผู้มีอาการอย่างนู้นอาการอย่างนี้อาการอย่างนั้นว่าเป็นตัวเราหรือตัวเรากำลังมีอาการอย่างนี้เดี๋ยวก็มาอีกแล้วหนูหรือผมไม่สบายเลยแน่อืออัดไม่ว่างไม่โล่งไม่โปร่งไมสบายเลยเดี๋ยวมาอีกแล้วทำไมโยมคิดไม่เลิกเลยเนี่ยทำไงโยมจะหายคิดเอาเขาบอกว่าอย่าไปจแทรกแซงอย่าเข้าไปสเสวยอย่าเข้าไปยึดไอ้ตัวผู้มีอาการ มันจะคิดมันจะเป็นยังไงก็เราจะไปยึดมันว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันคงเป็นยังไงก็คงเป็นในตัวจิตตสังขารไม่ได้สังขารปรุงแต่งหมดเราเนี่ยมันไม่สังขารคือเรามันไม่มีมันไม่มันไม่มีตัวสังขารปรุงแต่งอะไรเราจะไปลองรับมันจะไปยึดมันตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราแต่มันจึงไม่มีผู้ไปรองรับอาการเหล่านั้นไม่มีผู้ไปยึดถืออาการเหล่านั้นพอสิ้นผู้ไปยึดทุกมันก็เลยกลายเป็นเราเนี่ยไม่ยึดสิ้นผู้ยึดมันก็เลยสิ้นทุกสิ้นกิเลส แล้วก็เลยเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเราไมาเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านน่ตอนเราอยู่กับหลวงปู่ทาเขเป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ทาจารุธโมนะแต่พระท่านะท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะไปเอ่ยนามท่านแล้วเราไปอยู่กับหลวงปู่อ่ำธรมา ก, กาโ ม, โมก็เป็นอย่างเนี้ยหลวงปู่อ่ำก็เป็นอย่างเดียวกันเน่ยแต่นี้ท่านมรณภาพไปแล้วก็เอ่ยชื่อท่านได้ตอนอยู่กับหลวงปู่อ่ำอ่ะเอ๊ะทำไมขึ้นสาราฉันก้าวตอนเช้า ทำไมมันเหมือนโลกกรทาดมันสังหัดไปหมดเลยอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันงงไปเลยทุกครั้งที่ขึ้นศาลาไปจันข้าวลงกับท่านตอนเช้าเอ๊ะทำไมโลกกรทาดมันสังัดไปทั้งโลกกรทาดเลยเนี่ยโอ้เป็นเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่อ่ำนี่อ่ะฉันสิปุถสวรมันเลยโลกกระทาดมันสังหัดไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนกับไม่มีความปรุงแต่งอะไรในโลกกรทาดไม่มีความไหวเลยเพราะอะไรกระจายของท่านไปเป็นหนึ่งเดียวกับโลกกรทาดอ่ะไอ้โลกกรทาด ไปในใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันคือเป็นเป็นโล ก, กาธาตุฝ่ายที่เป็นว่างความว่างเปล่าของจักรวาลซึ่งเป็นความไม่ไม่ปรุงแต่งไม่เคลื่อนไหวซึ่งในหนังสือลุงตามมหมาหัวเล่มหนึ่งเขียนนะว่าอาวกาศแห่งจิตเดิมแท้ไอจิตตั้งเดิมแท้หรือวิญญาณตั้งเดิมแท้เนี่ยมันคืออวกาศอาวกาศไม่ได้เมายกว่าไอตัวที่มันเคลื่อนไหวในอวกาศคือมันเป็นความว่างเปล่าของอานันต์จักรวาลที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตไม่มีดวงไม่มีรูปร่างอะไรเลยไอแต่ชื่อมันภาษาว่าจิตหรือใจ หรือทาครูหรือหรือชื่อมันมีชื่อแต่จริงๆอ่ะตัวตนนั้นไม่มีเลยมันเป็นความไม่มีดวงไม่มีไม่มีความสว่างไม่มีความมืดไม่มีฟองใสไม่มีเส้าหมองมันกลายเป็นความว่างเปล่าไปเป็นเดียว อ, นนอันนั้นตจักรวานเลยเรียกว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้คือจิตตั้งเดิมแท้แๆนั้นเมื่อลุงผู้อ่ามเนี่ยใจของท่านสิ้นผู้สเสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วทะเลกลับไปเป็นจิตตั้งเดิมแท้ๆที่ยึดมันถือมั่นอะไรไม่ได้มันกลายเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไร จิตตั้งเดิมอยงแท้ก็เลยกลายปเป็นหนึ่งเดียวกับอวากาศฟองว่างจั ก, กรวาลเวลาตอนเช้าขึ้นไปชันเก้ากับท่านพุตรลาอ้าวทำไมโลกกระชาตมันเงียบสงัดอย่างเงี้ยแต่ตั้งที่คนเข้ามาเต็มศาลาหมดเสียงก็เชื่อใจ ก, กันเต็มคนเต็มศาลาแน่นศาลาตอนทุทกเช้าแต่ทําไมมันเหมือนโลกกาตไม่มีเสียงคนเลยมันเหมือนกับทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลย ตอนได้เสียงคนก็คุยกันอะไรกันแต่ทำไมในท่ามกลางความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีโลกกระถางที่ว่างเปล่าเงียบส ง, งัดแบบนี้วะเนี่ยเอาหันไปดูเอาหลวงปู่อ่ำท่านใจท่านไม่มีอะไรกระดูกกระดิกเลยแต่กิริยาการจิตท่กรับแขกดูพูดคุยได้ตามปกติเพราะไอ้กายเนื้อกับไอ้กายจิตสังขารมันยังอยู่ในร่างเดียวกัไอ้ไอ้ใจที่ว่างเปล่า มันเลยเป็นสามกายยังอยู่ในร่างเดียวกันถ้านก็เลยสามารถเอาไอ้กายเนืกก้อกายกายจิตสังขารเนี่ยไปรับแขกพูดปุ้ ย, ย, ยได้บางทีเขาก็ให้แต่ทำน้ำมนำบ้างอะไรบ้างบางทีก็มาก่อความช่วเหลือเรื่องลูกคนท่านหรือจะบายเป็นอย่างนี้ถ้าก็ช่วยเหลือเขาเอาแต่มันมีส่วนหนึ่งที่ไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวแม่อะไรเลยนั่นคือ ไ, ไอ้กายจิตเดิมแท้ของท่านเนี่ยมันคือสิ้นผู้เสวยใครเป็นยังไงถ้าก็พูดไปอย่างนั้นแหละช่วยเหลือเขาเพื่อนี่ยแต่ใจของท่านไม่เป็นเสวยเขาไม่เป็นรองรับไม่เป็นยึดเอาอารมณ์ของเขามาเป็นใจของเรา และไม่ยึดเอาร่างกายจิตใจของเรามาเป็นของของเราใจของท่านก็จะถึงธรรมชาติที่ดั้งเดิมคือความว่างเปล่าจักรวาลพอเข้าใกล้ทีไรมันว่างไปหมดเลยเราเลยพลอยใจว่างไปด้วยเลยอุ๊ยเรากลัวมากเลยไหมเราตกตะลึงเลย เ, เจอเงี้ทุกวนันทุกวนันเรากลัวมากเลยอะ่ะเราอยู่กับท่านใจว่างอยู่กับท่านใจว่างเฮ้ยบอกกับพระท็อปอะ โอ้โหน่ากลัวมากเลยใจว่างแบบเนี้เพราะว่ามันใจว่างไม่ได้ทําเองคือมันยังไม่ได้สิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านยังไม่ได้สิ้นปูเลเสวยอ่ะและ้วจะไมใจเราว่างไปแล้วฮะเนี่ยเพราะอะไรไปโดนของท่านดูซะเรียบร้อยเลยเพราะอะไรมันเราไปอยู่ในเครือข่ายของท่านซะแล้วเนี่ยมันไปอยู่เหมือนเราเข้าไปอยู่ใต้ลมโพลลมไสของท่านอะ่ะเราเลยล่มเย็นเลยอะ่ะตัวที่เราไม่ได้ทําปลูกต้นโพลลมไสของเราเองเลย แต่เราเข้าไปอยู่ในมโล่มใสของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหรหันต์มันจริงน่ากลัวมากเลยพอเข้าไปปุ๊บร่มเย็นเลยใจว่างไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้ไอ้อดบอกกับพระท็อปว่าเฮ้ยทำไมเราจะไม่สิ้นผู้เสสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลยต่ทำไมใจเราไปว่างแบบเดียวกับาตเลยนะมันเหมือนโล ก, กาตายใจเรา้นอกกสงข์เปน็นอันเดียวกันไปเลยอ่าไอ้มันเป็นแบบนี้มันต้องสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านซะก่อนสิ้นผู้เสซะก่อนมันถึงจะ ใจมันถึงกลายเป็นความว่างอันเดียวกับจักรวาลและแม้แต่วุ่นวายไงในโลกนี้วุ่นวายไงแต่ใจภายในใจว่างเปล่าเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลตลอดการแต่โลกนี้ก็ยังวุ่นวายแต่ในโลกนี้วุ่นวายมีมีดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมุนมีจรัรวดมีดาวเทียมมีอะไรหมุนกันทั่วไปหมดเนี่ยแต่มันหมุนทุกอย่างเนี่ยไม่หลอดพ้นไปจากความว่างขงจักรวาลได้หรอไม่ว่าทุกอย่างจะเคลื่อนไหวเร็วปานใดก็ bras, ตามมันเคลื่อนไหวอยู่ในความว่างของจักรวาล น, นี่แหละไม่มีไอ้ไม่มีอะไรหลอดพนด้วย และไม่ต่อให้ไหลเคลื่อนไหวมากมายขนาดไหนอะไอ้ความว่างจักรวาลก็คงเป็นว่างอยู่แน่เนี่ยโอ้โหเหมือนใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายคงแบบนี้ภายในใจของท่านก็มีความคิดคิดคิคิคคคิดคิดเออแต่ใจของท่านก็ว่างเปล่าฟังให้ดีนะในใจของท่านก็คิดิดคิดคคิคิดคิิดแตานก็ว่เปล่าฟังให้ดีนัในใจของ่านก็คิดคิคิดี้ดปิดคิดดิดเออแต่องทํานกวางล่าฟัหีนนใจท่านก็คิดคิดคิดคิดคคิดเอยู่ตลขอดเาวลา แต่ขณะที่ท่านคิดต่อตัวเนี่ยใจของท่านว่างเปล่าไม่มีผู้มาลองรับความคิดอารมณ์ความรู้สึกั่นเลยเนะี่ยไม่ใช่ว่าท่านไปฝึกให้ไม่คิดนะเ<อ>นี่ยฟังให้ดีไม่ใช่ว่าท่านไปฝึกให้ไม่คิดท่านคิดคิดคิดคิดเนี่ยแต่ท่านไม่มีผู้มาลองรับความคิดนั้นอารมณ์ความรู้สึกนั้น ใจของท่านก็เลยว่างเปล่าเปน็นนานๆแต่จัจกรวาลตลอดกาลพอเข้าไปอยู่ในใกล้ท่านโดนดูดหมดเรียบร้อยเลยเลยบอกอเฮ้ยพ่อต้องรีบไปดีกว่าออกออกไปดีกว่าออกไปเร็วๆฟานในนั้นเตั้งหลายเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาจานันดีๆอยู่เลยนะเนี่ยทำไมต้องรีบออกไปโอ้โหไปอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่เห็นจิตปรุงแต่งเลยมันเห็นแต่ความว่าอย่างเดียวเราเลยนึกถึงไป พาลูกติดไปที่ต้นโพตัดสรูของพุทธเจ้าเนี่ยยบอู่ก็ไปเขาก่อนเนี่ยไปที่ต้นโพพุทธเจ้าตัดสรูตอนแรกก่อนไปก็วางแผงกันใหญ่นะเดี๋ยวเราไปถึงวันนี้เราจะไปนู่นจะไปนี่น จ, ะนจะไปนั่นเนี่ย <S <S พอไปถึงที่ต้นโพกันเนี่ยทุกคนบอกว่าโอ้โหที่ต้นโพนี่สุดยอดจริงจเด็ดเด็ดจริงจเดี๋ยวโปรแกรมอื่นเราเราเปลี่ยนนะอาจารย์วันลุก ข, ขึ้นมาอีกเออติดใจที่ต้นโพซะแล้ว ทุกคนก็เลยบอว่าอาจารย์ปรุงนี้มาแต่เช้าเลยอาจารย์ฟามาแต่เช้าเลยนะมาแต่เช้าก่อนเลยก่อนที่จะไอกินข้าวมา ก, ก่อนเลยมาที่ต้นโพแต่ตเช้ามืดเลยพอ ม, มาถึงต้นโพวันลุกขึ้นเนี่ยไปไปไหนละมาให ม, ม่เพราแหมพอลงนั่งที่ต้นโพชบอือ <c oughs> มันดีจริงๆเลยมันดีมากๆเลยไม่ต้องไปไหนละอยู่บนต้นโพนี่แหละที่ไหนไนดะ้พอวันที่สองนั่งชับ ทำปรากฏขึ้นมากะแทกว่าเลยว่าทำที่นี่เป็นของพระพุทธเจ้าอยา้ำหมายเลยว่าเจ้าเนี่ยจะว่าเป็นต้นไม้งอกใหม่ในใต้ต้โนโพต้นไทรที่ล่มเงาหนาแน่นตะขนาด น, นี้ได้เจ้าชงเอาธรรมของพระเจ้ากลับไปปฏิบัติที่ประเทศของเจ้าให้รู้ถึงซึ่งความจริงโอ้โหเราอะเอ๊ะ เ, เ, เราว่าเราลุกดีกว่ามั้ง <laughs> แบบนี้เราลุกดีกว่ามั้ง เนี่ยคนที่ชอบไปต้นโพธิ์พระุทธเจ้าไปกันเป็นร้อยร้อยครั้งก็ไม่ดูดซับเอาอย่างนั้นแหละมันไม่ไปเป็นยังไงได้หรอเพราะมันออกจากต้นโพธิ์มาก็ร้อนเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมคนที่เข้าไปชอบอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหรหันต์เนี่ยชอบจังเลยอ่ะเข้าไปแล้วก็สุขสบายพอออกจากวัดมาน้ําตาไหลเหมือนเดิมมันไม่ได้ทําเองให้เราเนี่ยสิ้นผู้เสวย เราสิ้นผู้สเสวยจริงๆไปเป็นอย่างพุทธเจ้าพระาราหันอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแหละเราต้องมาปฏิบัติให้สิ้นผู้สเสวยเนี่ยไม่ใช่แบบปรุงแต่งเอาตัวเราไปสักแต่ว่ารู้ไว้มันต้องให้สิ้นผู้สเสวยมันต้องไปเป็นอย่างท่านที่เราเห็นมาแต่ละท่านนี่ไงเนี่ยเราเห็นความจริงมาเลยจากประสบการณ์ตรงเราใจของท่านสิ้นผู้สเสวยแล้วท่านมาเลยเว่ร์กา ง, างไปแบบเดยวจั ก, กรวาลเลย เขาไปใกล้ท่าละสงัดไปหมดเข้าไปใกล้ท่านแต่ละโอมาสังกัดโอโหมันทำไมสังกัดแบบนี้วะสังกัดจนหูวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยอ่ะตอนที่คนเต็มสราเลยแต่มันทําไมภายในมันสังกัดจนเหมือนกับหูดังวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยโอโห้ทำไมเป็นอย่างงี้วะเราเลยวะโอโหนี่มันพอหันไปดูของท่านที่มันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นั่งหัวแถวเนี่ยเนี่ยโอโหมันไม่ใช่เป็ของเราเลยมันเป็นของท่านเนี่ยมันสังกัดไปหมดเลยทั้งโลกกระทาดเลยเนี่ย ตอนที่คนก็เต็มตลาพูดกันใด้แทบไปหมดแต่ใจท่านท่าสงัดมากเลยท่านมองทุกคนมีแต่ความเมตตาแต่ใจของท่านมันสงัดมากเลยโอ้โหแล้ววะทํายัง ไ, ไงเนาะถึงจะปัดบัติปัิบัติแบบนี้นนเนี่ยนี่มันที่สุดเลยเนี่ยภายใ น, นใจิตใจมีความรู้สกึกนึกคิดอารมณ์แต่กลับมีใจที่ว่างเปล่าันความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในใจของท่าน ทำอะไรใจท่านไม่ได้เลยพอใจของท่านไม่มีตัวใจรองรับเด็ดขาดมากเลยเพราะแม่กว่าอาจารย์แต่และท่านบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไปเอ่ยนามท่านแต่ที่ไหนสิ้นไปแล้วแ็เ่ยนามานเอยอาจาท่านเป็นอย่างนี้จริงๆยอดเลยนันแหละเราเห็นของจริงอย่าง น, นี้แล้วมีประสบการณ์ตรงเนี่ยเราจึงรู้เออมันต้องปฏิบัติแบบนี้สิ้นให้สิ้นผู้เสวยปฏิบัติให้สิ้นผู้เสวย เมาใช่ว่าเอาปฏิบัติเอาจิตดีเอาจิตดีอยู่นั่นน่ะสิปียี่สปีเอาจิต ด, ดีอยู่นั่นน่ะหรือปฏิบัติไม่คิดทําไงให้มันไม่คิดทําไงให้ไม่คิดมันนิ่งทําไงให้ไม่คิดให้มันนิ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่มันก็จะผิดแล้วก็จะผิดอย่างเงี้ยก็เข้าใจผิดมาหลายปีวันเนี้ยเลยถ้โอกาสพูดจะเป็นชัดเจนนั้นหมดเลยโดนใครบ้างก็เอาเหอะมันคงนะโดนกันทั่วหน้าเนี่ยเออโดนกันทั่วหน้าเออาจน์ก็สองสว่างดีไะ บรรยากาศดีมากเลยคงไม่มีใครสงสัแล้วมั่งชัดเจนหมดแล้วตอนนี้ก็ที่เหลือก็ทำเอานะปฏิบัติเียนข้าวจะขาดสนับเน่ยราเพรูทาเบนทพอยนปูตย์เจริงคืนนี้ทุกคนท่านนี่อายติเยยยวโตตมูตังโกุมมังโกบุตมูตังโ ขอให้พ้นทุกพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุกแต่กัรทังหมดทุกคนทุกท่